ความมุ่งหมายในช่วิตคนเรารนะวมทั้งความมุ่งมากปรารถนาของผู้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดรวมๆไปแล้วเนี่ยนะก็มันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องมีกับเรื่องเป็นนะมีก็เช่นมีเงินมีทองมีโชคลาบมีความสำเร็จนะ มีสุขภาพดีมีงานที่มั่นคงมีคู่รักคู่ครองรวนทั้งมีความสุขนะความสงบส่วนเป็นนี่ก็เช่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนเป็นเศรษฐีเป็นผู้จัด ก, การเป็นซ e อีโ หรือว่าเป็นอธิการบ ด, ดีนะความสูขขงคนเราเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับสองเรื่องนี้แหละนะมีกับเป็นนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยที่มันให้ความสุขกับเรานะมันก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับเราได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะถ้าดูดีๆนะมันก็ทุกข์เพราะเรื่องมีกับเรื่องเป็นนี่แหละนะโดยเพรา ะ, ะมีแล้วนะหมดไปนะเพราะว่ามีกับหมดนี่เป็นของคู่กัน พระเจ้าเคยจัดนะเคยเป็นทํานองโต้แยง้งหรือว่าทวงติง่งนะเทวดาเทวดาบอกว่ามีสุขนะผู้มีบุตรเนี่ยก็มีความสุขนะมีโคมีกระบือก็มีความสุขสุขเพราะบุตรสุขเพราะโค พุทเจ้าก็ทวงว่าเนี่ยมีมีบุตรนะก็ทุกข์เพราะบุตรนะมีโคก็ทุกข์เพราะโคสุขเพราะมีอะไรก็ตามนะมันก็ทุกข์เพราะเรื่องเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะมันก็ต้องหมดในที่สุด นันถ้าเกิดว่าสุขเพราะมีเงินมีทองนะถึงคราวที่เงินทองมันหดหายไปนะอาจจะไม่สูไ์ไปหมดนะแค่หดหายไปทรัพ ส, ส, ส, สมบัตินะหุ้นนะในตลาดหุ้นมันลดค่าลงไปเนี่ยก็ทุกข์ละคนเรานี่ทุกข์เพราะ เรื่องมีนะกันไม่น้อยทีเดียวแม้ว่าตอนที่ได้มาแนละ้วก็มีความสุขนะแต่ว่าไม่มีใครนะที่จะมีสิ่งต่างๆไปได้ตลอดความมีนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นนิรันเลยนะไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดไป นะมีลาบนะก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะความเป็นก็เหมือนกันนะเป็นอะไรเนี่ยแม้ว่าจะได้เป็นซ e โอเป็นผู้จัดการนะเป็นเศรษฐีนะอันนี้พูดเฉพาะเป็นในสิ่งที่ดีนะ ไม่ต้องพูดว่าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีที่คนไม่นิยมเช่นเป็นคนยากจนเป็นคนป่วยหรือว่าเป็นคนไร้อำนาจเป็นคนล้มเหลวอันนี้มันชัดอยู่แล้วว่าทุกข์นะแต่ถึงแม้จะเป็นในสิ่งที่ดีๆนะใครๆเขานิยมกันเนี่ยมันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะเหตุเดียวกันก็คือว่า สิ่งที่เป็นนั้นเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงแท้แน่นอนเลยเมื่อมีความสุขกับการเป็นนั่นเป็นนี่นะพอพลากจากความเป็นนั่นเป็นนี่ไปหรือว่าไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ทุกเลยเป็นซีอนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตลอดชีวิตนะวันดีคืนดีก็ ต้องหมดถูกพ้นจากตำแหน่งไปอาจจะเพรา ะ, กระเกษียณหรือเพราะว่ามีคนที่เก่งกว่านะมาแทนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีความสุขนะแต่พอถึงวันกเกษียณนะก็ทุกได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคนหนึ่งนะเป็นพ่อเมืองในจังหวัดที่ใหญ่มากนะ ก็คงระดับนะเชียงใหม่โคราชนะขอนแก่นก็มีความสูงน่าแต่พอเกษียณเนี่ยก็หน่อยเลยเพราะว่าเคยมีคนมาห้อมล้อมมากมายแต่ว่าตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วก็อยู่แบบห ง, ง่อยๆนะวันหนึ่งก็ได้จดหมายเชิญ ให้ไปยังจังหวัดที่ตัวยังเคยเป็นพ่อเมืองเป็นผู้ว่านะมีงานใหญ่ก็ดีใจนะดีใจที่จะได้กลับไปพบบริษัทบริวารคนคุ้นเคยแต่พอไปถึงแล้วลูกอดีตลูกน้องหรือคนที่เคยเป็นลูกน้องนะที่เคยมาห้อมล้อมนะเขาไม่สนใจเลย เขาแห่ไปห้อมล้อมผู้ว่าคนใหม่ส่วนพ่อค้าค้าบ ด, ดีนะที่เคยมาลุมล้อมเหมือนกันก็บางตาลงเพราะว่าเขาก็ไปหาผู้ว่าคนใหม่ไปงานนั้นก็มีคนมาทักทายไม่มากนะก็มาทักทายประเดียวประดานแล้วก็ไปที่เคยมาพูดคุยมาประจบประแจงก็หายหมดเสียใจมากนะนะ เหมือนกับว่าอกหักเลยผิดหวังอย่างแรงหลังจนากนั้นไม่นานแกก็เสียชีวิตนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตรอมใจก็ได้อันนี้เรียกว่านะทุกข์เพราะความเป็นนะเมื่อสิ่งที่เป็นนั้นมันหมดไปหายไปนะก็ถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกข์มากนะแล้วมก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะ ไอ้สิ่งที่เป็นเนี่ยไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามก็ต้องอพัดพลาดจากสิ่งนั้นไปจริงๆมาไม่ได้ทุกเฉพาะหรือทุกเมื่อพัดพลาดจากสิ่งนั้นนะไอ้ตอนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยหรือครองตําแหน่งอยู่มันก็ทุกนะเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งตําแหน่งไปเป็นซีอเป็นผู้จัดการนี่ก็ไม่ใช่มีความสุข กังวลว่าจะมีคนอื่นมาแทนไหมกังวลว่าตัวเองจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อไหรนะ่ยิ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงนี่ก็ยิ่งไม่มีความแน่นอนเพราะว่าสามารถจะถูกย้ายหรือว่าพ้นจากตําแหน่งไปได้ทุกเมื่อหรือว่าในเวลาอันไม่นานระหว่างที่เป็นแม้ได้เป็นในสิ่งที่อยากนะก็ยังมีความทุกข์ เพรกลัวที่จะสูญเสียไปก็ต้องคอยนะคอยระแวดระวังไม่ใช่ทุกเพราะความกังวล น, นะบางทีทุกเพราะความอิจฉาด้วยเห็นใครที่เก่งกว่าก็กลัวเขาจะมาแย่งตําแหน่งของเราไปมาเป็นแทนเราใครเก่งกว่าก็ไม่ได้แลใครดังกว่าก็พยายามสกัดนอันนี้กเกิดขึ้นบ่อยไมื่อใครมาเป็นเบอร์สองเบอร์สามนะ เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนอันนี้ก็ทุกนะเพราะความเป็นเป็นนี่อไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงเป็นผู้จัดการเป็นซ e o อเป็นอธิการบดีนะเป็นปลัดกระทรวงเท่านั้นนะแม้แต่เป็นแบบที่เราธรรมดาธรรมดาเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตนะหรือแม้แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ทุกได้เหมือนกันนะ ทุกในหลวงที่เป็นนั่นแหละนะเนะนะช่นเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็จะทุกอีกแบบหนึ่งนะเช่นเวลามีความโกรธนะก็เสียใจว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะทำไมเราถึงโกรธนะหรือไม่ก็มีอาการยกตนข่มท่านนะนะเวลาเห็นใครที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมก็มองว่าเป็นคนลบพวกรนะ หรือมองเหยียดว่าเขาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็มีเยอะนะนักปฏิบัติธรรมที่เห็นคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติธรรมด้วยสายตาที่เป็นลบนะอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะมันก็มีโทสะมีความเกียดชังอยู่ข้างในเป็นคนดีก็ทุกข์นะทุกข์ว่าทำไมฉันทำดีแต่ไม่มีคนเห็นความดีของฉันนะ ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วไม่ยกย่องคนอื่นไม่เห็นขยันเหมือนฉันเลยนะแต่ว่าได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะฉันเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนรับผิดชอบทำไมถึงตำแหน่งไม่เลื่อนไม่ขยับนะอันนี้ก็ทุกนะหรือว่าทุกว่าเห็นคนไม่ดีเหมือนตัวก็มองว่าเป็นคนพวกนะมีการเหยียดอยู่ในที เป็นคนดีก็ต้องระวังนะเพราะว่าไม่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ดีนิสัยไม่ดีในใจได้คือหลงตัวลืมตนหรือว่ายกตนข่มท่านหรือว่ารังเกียจเหยียดหยามคนที่ไม่ดีฉันกินเหล้าก็รังเกียจคนฉันไม่กินเหล้าก็รังเกียจคนที่กินเหล้านะยิ่งคนที่เคยกินเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้นี่จะมีความรู้สึกรังเกียจคนที่กินเหล้าเนี่ยมากนะนี่ก็เป็นกับหลายคน เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกข์นะลูกไม่ดีนะลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็โกรธนะแม้แต่ลูกบางทีแค่เถียงหรือว่าแยงนะ้งเนี่ยก็จะโกรธว่าเนี่ยฉันเป็นพ่อนะฉันเป็นแม่พูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงทํำไมไม่เชื่อฟังฉันเนะี่ยไอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ทําให้ทุกข์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็เจอไปได้วยความคาดหวังและความคาดหวังนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะ เพาะว่าปเป็นคาดเป็นการคาดหวังเนี่ยลึกๆเนี่ยไม่ใช่เพราะความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะมันอาจจะมีอยู่แต่มันเจือไปด้วยความอยากจะให้เขาดีตามความคิดของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิฏฐินะที่ถูกปาทานยึดมาในความคิดของฉันก็อยากเขาดีอย่างที่ฉันคิดหรืออยากเขาเนี่ยมาสนองกิเลส ข, ของเรา อยากให้เขาเป็นหน้าเป็นตาของเราเราเรียนไม่จบปริญญาเราเรียนไม่จบด็อกเตอร์ก็อยากจะให้ลูกจบปริญญาจบด็อกเตอร์จะได้มาเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราให้กับครอบครัวของเราหรือว่าตอบสนองความใฝ่ฝันของเราเราทำไม่ได้ก็อยากจะให้ลูกทำมันก็เป็นการเติมเป็นการสนองอัตตาของเราอีกแบบหนึ่งลองดูนะ่าเป็นอะไรเนี่ยนะ มันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าไปยึดถ้าไปยึดนะไปยึดว่ากูเป็นนั่นกูเป็นนี่นะมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้พลากยังไม่ได้พัดพลากจากสิ่งนั้นแล้วในตอนเดยวการนั้นนะมีนะแม้จะยังไม่ได้พัดพลากจากสิ่งที่มีก็คือยังไม่หมดนะมันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะต้องคอยรักษาทุกข์เพราะระแวงระวัง กังวลว่ามันจะหมดไปนะมีรถก็ยิ่งราคาแพงเท่าไหร่ห่วงแหนเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะมันนะอันนี้ทุกข์เพราะความยึดมั่นนะยึดมั่นว่านี่เป็นของฉันนะรถของฉันรถราคายี่สบล้านไปจอดไว้ข้างถนนนี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วกังวลว่าใครจะมาเอาหินมาขีดมาควนนะ จอดไว้ในบ้านก็ยังกังวลเลยนะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะมีรถอ่รัมโบกินนี่มั้งราคายี่สิบกว่าล้านจอดไว้ในบ้านเดียวก็ไม่พอนะต้องทำบ้านติดแอร์ให้มันด้วยนะติดแอร์แล้วก็บุ ด, ด้วยกระจกทั้งสามด้านเพื่อให้มองได้ชัดๆจากข้างนอกว่ามันไม่มีหนูไม่มีอะไรมา มากินสายไฟสายไฟนี่มันแพงมากนะนะเส้นหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็สะทอ้อนถึงความกังวลนะของเจ้าของนะทุกมีอะไรก็ทุกทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปยึดมันนะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ให้คิดดูดีๆนะลองพิจารณาไตรตรอง เวลาเรายึดว่าอะไรเป็นของเราอ่ะนะทันทีทันใดนั้นหลอเป็นของมันเลยไปยึดว่าเพชรไปยึดว่าทองเป็นของฉันเรากลายเป็นของมันทันทีไปยึดว่าบ้านเป็นของฉันเนี่ยนะเราก็กลายเป็นของมันไปทันทีเวลาเดินตามตรอกซอกซอยที่ปราที่เปลี่ยวนี้โจรมาจี้เอาเงินมานะเอาสร้อยมานะ คนที่ยึดมั่นในส้อยในเงินเนี่ยนะเขาจะยอมตายจะต่อสู้ขัดขืนแล้วหรือแม่ก็พอต่อสู้ขัดขืนหรือล้อก็ถูกโจนี่แทงยิงตายเขายอมตายเพื่อมันยอมตายเพื่อเงินยอมตายเพื่อเพื่อทองอันนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่บ้านถูกไฟไหม้นะ เพชรทั้งกล่องเลยนะอยู่ในอยู่ในบ้านเนี่ยไม่อยากให้เพชรเนี่ยมันมีอันเป็นไปไม่อยากให้ทองถูกไฟไหม้กลัวเสียใจตื่นตะหนกเสียดายยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปเพื่อไปเอามันออกมายอมตายเพื่อมันแล้วบางทีก็ตายเพื่อมันจริงๆอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่นะ อันนี้เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ทุกพ่อมันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะคนเรายังไงก็ต้องมีเนะ่ยแม้กระทั่งพระอารหันต์นะพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่างนั้นก็มีจีวรแล้วก็มีบริขารพระสิวลีนี่ก็ได้ชื่อว่ามีทรัพย์เยอะนะแต่ว่า ถ้าเราเนั่นเป็นข้อยกเว้นนะท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นของฉันนะมีก็มีได้นะแต่ต้องมีให้เป็นนะก็คือว่ามีโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นมีด้วยการที่เราตระหนักว่ามันพร้อมจะหมดไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้การที่คนเราเนี่ยนะ เตือนใจไว้อยู่เสมอว่า น, นะนะว่าเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยมันแค่มีวันนี้นะวันหน้าก็อาจจะหมดนะเหมือนกับพบวันนี้ก็อาจจะพากในวันหน้าเจอกับจากเป็นของคู่กันพบกับพระเป็นของคู่กันมีกับหมดก็เหมือนกันมีอะไรก็ตามเนี่ยมีได้ถ้ามีให้เป็นนะก็คือว่ามีโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องอยู่กับเราว่ามันจะต้องเป็นของเราจริงๆมันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยนะ แม้แต่ร่างกายนี้ก็อย่างที่บอกไว้แล้วเมือ่อเมื่อวานนะร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเราดูแลได้นะสิ่งที่เรามีแม้ไม่ได้ย่ดเป็นของเราจริงๆแต่ว่าเราก็ดูแลมันดูแลใจใส่มันแต่ถึงเวลาหมดไปนะก็ไม่ทุกข์นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ แก่ก็เป็นส่วนก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสูญเสียนะจากเหตุการณ์น้ําท่วมนะปีห้าสี่เหตุการณ์นั้นก็เราก็ทราบกันนะมีคนสูญเสียไปเยอะพัะธินาคาที่อยู่ทรัพย์สมบัติก็เสียหายไปมากหลายคนก็เสียใจบางคนก็ถึงกับเสียจริตหรือบางคนก็ฆาดตัวตายแต่ก็เพียงคนนี้แกก็ทีแรกก็เสียใจแต่ตอนหลังก็นึกได้ว่าเออ น้ำท่วมนี้ก็มาเตือนเรานะมาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยอันนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์บางทีคนเราเนี่ยจะระวางความยึดมั่นถือมั่นก็ต่อเมื่อได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียและทำให้เกิดความทุกข์แต่ความทุกข์มันก็สามารถจะสอนให้เราเกิดปัญญาได้ เวลาเราเจอของหายนะหรือว่าสูญเสียของรักของห่วงเนี่ยนะลองเอามาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเออเข้ามาสอานแะล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมีอะไรก็ตามก็หมดนะถ้าได้คิดแบบนี้หรือว่าเกิดปัญญาแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่พร้อมกับความสูญเสีย ทำให้เรามีสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องหรือมีเป็นนะก็คือว่ามีโดยไม่ยึดนะมีให้เป็นก็คือมีโดยไม่ยึดนะเป็นอะไรก็ตามก็เหมือนกันนะก็ต้องตระหนักว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นเนี่ยโดยเพราะตำแหน่งนะสถานภาพเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงจะเป็นซีอเป็นผู้จัดการเป็นผู้ว่าเป็นปลระกระทรวง นะหรือแม้แต่เป็นคนเก่งก็ต้องเผื่อใจไว้เสมอนะว่ามันไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งก็ต้องลงจากความเป็นนั้นลงจากตำแหน่งนั้นลงจากสถานนั้นนั้นไปนะและในระหว่างที่เป็นอยู่ก็เป็นให้ถูกนะก็คือว่าไม่ต้องอิจช้าไม่ต้องระแวงนะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้คนที่เขาเก่งกว่าสักวันหนึ่งเขาก็มาเป็นแทนเราหรือคนที่หนุ่มกว่าสักวันหนึ่งก็มาเป็นแทนเราคนที่สาวกว่าสักวันหนึ่งก็มาเป็นแทนเราลองที่เป็นก็เป็นให้มันดีให้มีความสุขนะเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้รู้ว่ามันเป็นแค่สมมุตินะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่สมมตินะ เป็นของชั่วคราวนะถ้าไม่ยึดว่าถ้าไม่มองว่าเป็นสมมตินะทุกนะแต่ถ้ามองเป็นสมมุติเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสบายใจเหมือนว่าไม่ต้องแบกอะไรเป็นอะไรก็เป็นให้ถูกนะโดยไม่สมมติไม่ยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อโตเนี่ยนะพวกเรารู้จักดีนะ สมณศักดิ์สุดท้ายของท่านเนี่ยก็คือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เป็นชั้นสมเด็จที่จะร้องก็แต่สังฆราชแต่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่ไมยึดติดใ น, ใ น, ในยศศักดิ์มีคราวหนึ่งได้รับอนุญาตใหไ้ไปงานบุญที่ราชบุรณะวัดท่านอยู่วัดรักังนะวัดระกังก็อยู่ฝั่งทนสมัยก่อนไปไหนก็นั่งเรือนะก็เป็นงานใหญ่นะ ท่านก็เอาตาราปัดพัดดศไปด้วยแล้วก็มีเด็กวัดเนี่ยพายเรือไปทางคลองมากอกน้อยเนี่ยบอกว่ามันเป็นช่วงน้ำลงแล้วก็เป็นหน้าหน้าแรงนะน้ำน้อยนะเหลือก็เลยติดนะติดคลนติดลมเด็กวัดก็ลงมาเข็นเข็นเท่าไหร่ก็เข็นไม่ไปหลวงพ่อโตก็เลยลงมาเข็นด้วย เด็กๆชาวบ้านเน่ยแถวนั้นเห็นก็พวกนี้เขารู้จักหลวงพ่อโตดีนะทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็ตะโกนกันบอกกันสมเด็จเข็นเรือวอยสมเด็จเข็นเรือวอยเห็นเป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็พูดตอบกลับไปนะฉันไม่ใช่สมเด็จจ้านะฉันชื่อครูโตนะสมเด็จอยู่ในเรือนะัท่านก็ชี้ไปที่พัดยศนะหลวงพ่อโต นะท่านได้รับสมณะสักเป็นสมเด็จพุทธอาจารย์นะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดท่านก็ยังเห็นว่าหรือท่านก็ยังรู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ครัวโตส่วนสมเด็จนั้นเป็นเรื่องของพัฒย์ยศนะท่านทนไม่ได้ยึดว่าฉันเนี่ยเป็นสมเด็จนะแยกออกนะสมเด็จก็เป็นเรื่องของพัฒยยศนะแต่ว่าตัวท่านก็เป็นแค่ครัวโตเอาคนนี้เขามีปัญญานีเขาจะไม่ยึดติใใดในนะในยศในศัก์นะใน แม้กระทั่งในเกียรติหรือว่าคำชื่นชนสารเสิร์ญมีสมเด็จพระสังฆราชอีกองค์หนึ่งนะเป็นองค์สุดเป็นสังฆราชเจ้าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานวงศ์ท่านเป็นหมอน่อมราชวงศ์นะเดิมเกิดในวังแล้วก็เป็นเลนของรัชกาลที่สี่ เรียกว่าญาติของท่านนี่เป็นเจ้านะในหลวงตอนที่เสด็จผนวตนี่ก็ออกผนวตนี่ก็เป็นสัตธิวิหาริศของท่านนะหมายความว่าท่านเป็นอุปัชาโดยภาษากรรจเจ้านี่เป็นอุปัชาของพระพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เมื่อหกสิบปีที่แล้วอนะ่ะเะียกว่าท่านใหญ่มากนะไม่ใช่สังขราชธรรมดานะเป็นสังขราชเจ้าและทรงกรมใ์นกรมมรหลวง นะแล้วก็เป็นอุปชาของในหลวงแต่ว่าท่านนี่มีชื่อที่เรียบง่ายมากมีเรื่องราวข่าวหนึ่งไปท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปเป็นประธานในวัดแห่งหนึ่งแถวลบบุรีนะเป็นงานบุญงานใหญ่สมเด็จท่านก็ไปน ะ, สะเสด็จไปแต่ว่าไปแล้วเนี่ยท่านก็ ญาติโยมแถวนั้นไม่รู้จักนะก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อหลวงตาท่านก็เอออเขาด้วยนะท่านก็บอกว่าคุยกับคนที่นั่นสนุกสนานไปเลยนะชาวบ้านก็มีความสุขนะไม่รว้เนี่ยที่คุยเนี่ยสังคราสนะนึกว่าเป็นหลวงตาธรรมดามีคราวหนึ่งนะมีคราวหงหลายครั้งทีเดือนนะพระในวันเนี่ยจะหาท่านไม่เจอ หาสมเด็พระสังฆราชไม่เจอนะหายังไง ก, ก็ไม่เจอหาทั้งวัดก็ไม่พบก็ตื่นตกใจว่าพระองไปไหนนะไปข้างนอกหรือเปล่าถ้าไปข้างนอกก็ต้องมีรถประจํำตำแหน่งประจําตําแหน่งมารับนะรถประจําตําแหน่งสังฆราชก็ไม่มีรถประจําตําแหน่งสังฆราชมารับก็นะเป็นกังวลกันแต่พอหลังเที่ยงไปเนี่ยนะ คนก็เห็นโดยพระสังฆราชองค์นี้เดินเข้าวัดนะถือตาลปัดมาเดินมาแต่ลําพังนะสอบถามด้วยความว่าท่านไปไปฉันเพลมีโยมมันิี่มนนะโยมก็ไม่ได้รวยเลยนะท่านไปฉันเพลในห้องแถวเล็ ก, ลกๆแถวแถวบางลําพูแถววัดสุทัศนะนะโยมมันิี่มนนะสมัยก่อนสังฆราชเนี่ยเข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านเลขาอะไรนะชาวบ้านธรรมดาก็มานิมนต์สังฆราชนะให้ไปฉันเพลที่บ้านเขาหน่อยนะบ้านก็เป็นเป็นห้องแถวธรรมดาท่านก็จดนะจดใส่กระดาษบ้างจดใส่ใบชาไอ้กล่องใบชามัง่งถึงเวลาท่านก็เสด็จไปไม่ได้บอกใครนะไปแต่ลูกศิษย์เนะี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรียกว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโซนในพระสังฆราชองค์นี้เป็นประจำนะก็คือท่านไม่ค่อยได้ถือยศถือตำแหน่งถ้าไม่ได้คิดเป็นสังฆราชโดยซ้ก็เคิดเป็นพระธรรมดานะโยมนิมนต์ถาว่างก็ไปนกะ็เอาพัดเอาตรัพย์ธรรมดาไปนื่นจะได้ว่าขนาดเป็นสังฆราชเจ้านี่หรือว่าขนาดเป็นอพระบรมงสารุวงศ์นะชั้นสูงเป็นอุปชาของในหลวงแต่ว่า ท่านก็ไม่ได้ยึดติด ก, กับตําแหน่ง เ, เรือว่าแม่ไม่ใหยดีเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องคนที่อ่าเป็นเป็นโดยไม่ทุกนะเป็นสังฆราชก็เป็นโดยไม่ทุกเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นนะเหมือนกับหลวงพ่อโตเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์แต่ท่านก็ไม่ได้ทุกอะไรถึงเวลาเข็นเรือก็ลงมาเข็นเรือโดยที่ไม่ได้คิดว่าเนี่ยฉันเป็นสมเด็จจะมาเข็นเรือได้ยังไงนะ แต่ว่าขายที่ยึดในตำแหน่งเนี่ยนะแม้จะเป็นแค่พักครูนะอะลงมาอ่องก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ายึดมั่นวันเนี่ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่เคยมีเจ้าท้าจังหวัดนะวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะแถวภัยศารก็มาเยี่ยมวัดวัดหนึ่งนะเป็นวัดเล็กๆ ก, ก็ไม่ทราบมีเหตุใดมาเยี่ยมนะคงมีเรื่อง มีคนร้ อ, องเดียนอะไรสักอย่างท่านมาพระก็ไม่รู้จักพระเนยไม่รู้จักเลยบอกว่าเจ้าคณะจังหวะนี้ไม่พอใจนะเรียกเจ้ า, เาว่ามาแล้วก็ถามว่าเนี่ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะนะไม่พอใจที่ไม่มีใครมาต้อนรับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไม่ถูกนะก็คือเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่น เดี๋ยวนี้นี่แม้แต่ทั้งเป็นพระครูนี่ก็ก็คิดว่าใหญ่แล้วนะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะเป็นขนาดสังฆราชเป็นสมเด็จพระราชคณะนี่ท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเลยนะอันนี้เพราะท่านรู้นะว่ามันเป็นแค่สมมุตินะไอความเป็นพระธรรมดาเนี่ยมีมีมีอยู่ในสมณสัญญาของท่านมากกว่า เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็เป็นไปนะแต่อย่าไปยึดนะอย่าไปยึดนะเราทำดีก็ให้รู้ว่าเออยังต้องทำดีต่อไปแต่อย่าไปสำคัญมันหมายว่าเป็นคนดีเพราะเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันก็จะทุกข์แบบคนดนะีเขาไม่ชื่นชมยกย่องก็ทุกข์หรือว่าไปเหยียดคนที่เขาไม่ดีเหมือนตัวนะ เป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นน่ะนะเคยมีฝรั่งเนี่ยถามหลวงพ่อชาหลวงประชาท่านเคยได้รันิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี200ฝรั่งคนนี้เขาก็สนใจทั้งเทลว่าแล้วก็มหายานเถลว่าเนี่ยก็เห็นว่าอุดมคติของมันก็คือเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทางมหายานเนี่ยเขาก็อ อุทมกติก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นะก็เลยถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะควรจะมุ่งเป็นพระอรหันต์ดีหรือจะเป็นพระโพธิสัตว์ดีหลวงพ่อชานั่นตอบว่าไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องเป็นอรหันต์ไม่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ต้องอยากเป็นพระุทธเจ้าเพราะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์เมื่อไปยึดนะว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ หรือว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อมีความอยากเนี่ยนะเรียกว่าอยากเป็นกตั้ห า, แ ล, าแล้วก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เป็นอย่างที่อยากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภพเกิดชาตินะเมื่อเกิดชาติก็ตามมาด้วยชาารช า, ชามรณะคําว่าคำว่าชาติในที่นี้แปลว่าเกิดนะไม่ได้เกิดจากท้องแมงเดียวนะแต่หมายถึงว่าความเกิดในทางจิตว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันหนี ชะรามรณะไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทุกข์เพราะชะรามรณะเนี่ยนะก็อยากเกิดเลยนะก็คือไม่ต้องมีชาตินะใครเขาจะว่าเราเป็นอะไรก็ช่างเขานะแต่ว่าเราไม่ได้ยึดว่าเราเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเตือนใจอยู่เสมอนะมีก็มีให้เป็นเป็นก็เป็นให้ถูก เวลามีอะไรเป็นอะไรก็เตือนใจว่ามันไม่เที่ยงนะเวลาเป็นอะไรก็อย่าไปยั่มันเป็นเรานะมันเป็นแค่สมมตินะต้องเตือนใจอยู่เสมอเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถึงเวลาเราตายเนี่ยไม่ว่ามีอะไรก็หมดนะไม่ว่าเป็นอะไรก็สูญเสียเหมือนกันความตายเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะมาเตือนให้เราตระหนักว่า ไอ้ที่มีที่เป็นนันเนี่ยมันชั่วคราวทั้งนั้นแหละสมมุติทั้งนั้นแหละแต่จะไปรอให้ความตายมาถึงแล้วถึงค่อยค่อยปล่อยค่อยวางนะในครที่มีสุขภาพดีก็รู้จักมีให้เป็นนะเป็นให้ถูกนะแต่ว่าก็ยังดีนะถ้าเกิดว่ามาปล่อยเอาตอนตายนะเพราะบางคนนี้ไม่ยอมตอนตายก็ยังไม่ยอมปล่อยแต่ถ้าไม่เรียนรู้การปล่อยนะตั้งแต่ ตอนนี้นะถึงเวลาจะตายเนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยนะีมันก็ยังยึดเอาไว้ในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วนั่นก็ทำให้ทุกข์มากที่จริงการภาวนาเนี่ยของเราเนี่ยนะการเจริญสติก็เป็นการฝึกนะให้เราได้เรียนรู้การมีการเป็นอย่างถูกต้องคือเห็นว่ามีที่มีมันไม่เที่ยงเวลาเราจเจริญสติ ด, ดูกายดูใจนะมันก็จะเห็นนะ อ, อาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันไม่เที่ยงเลย มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ว่าความสึกดีๆหรือความสึกแยก่เวทนาก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงชัดเจนนะัจากอาการที่เกิดกับกายและใจเนี่ยมันก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยวางใจถูกนะกับสิ่งที่เรามีเราเป็นนะก็จะไม่ยึดมั่นในสิ่งที่มีไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นนะอันนี้ก็ทําให้อยู่ได้อย่างมีความสุขถึงวเวลาจะไปก็ไม่ทุกนะเพราะว่า ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะตั้งแต่แรกแล้วอ่าชาติเนียพูดกันเท่านี้นะเอากลับ